พ่อขอท่างพระเจ้านุชี่ตีตีไปครูย่อยยักไปจังหวะนั่งมุนกองกลับไปจากเมืเมือนนี่ยห้องเขียนเจ้าหน้าทั้พวกทัพท่นนั่งมุนกองไปผู้เดียวมาพร้อมกันกัำนั่งสัตยนี่นั่งสัตยนี่กับกับทังอุบนกอนนั่งมุนกองพันนั่งยู่นี่ห้าหนึ่ง ปิกลับไปทำของเพื่นผู้เดียวมาเนี่ยโอ้ยเปหนึังในนอสิเอามันไปต้มใส่นาะเพื่อยูห่อขนาดห้อก็เลยเชิดเจินายมาหาทนเพ่นั่งบนกองกลับถึงพวกท่านโดยสวัสดีระบอว่าสั่งนั่บนกองกลับคนเดียวได้ว่าสั่งขอจงเชิดเายมาหาผมเนี่ยสั่งทนถึงดีแล้วว่าสั่ เขาจะออกเขียบเตี้ยนน้ำนะฮะบอกว่าถึงแล้วปลอดภัยแล้วมันเป็นยังไนะมันเป็นในสั้นนี่แหละเนี่ยสมายสมองถ้าสิเอาตะกี้มาวอามันกับอะไรเอามาวอา ก, ก็เพื่อซ้ำเหนียกว่าจะหันมาหันโลกมันตัง้งเกาหลาปันไหลเท่า น, นั้นนึงเดียวนะี สมัยสมื้อนี่สีไปยังคนว่าพ่อมูพ่อฟูงเขาก็ไปไปบ่ได้ัะนี่เขเขามีพระนั่งน้ำหนาฮะ น, นี่เขาก็เป็นเครื่องอุ้นใจเขาฮะ น, นี่จะคิดว่าจังไรฮะนี่โจรผู้ไรกับว่าใครมีอันตรายได้ใคนมีพระนั่งน้ำหนารดไปแล้วเนี่ยตนรวจทหารจีดกันทันทางก็เปิดโลดบ่ได้ ม, มาใต่มาสวนเพราะมีพระน้ำหนาเดี๋ยวบงังพระ ผู้มีหนามีตาน้ำมากแล้วกัเปิดท้นทาาให้ไปโรถสเด็กมันเคยเป็นทิงสันเด้จสมอคิดว่าเทไ้แห่เป็นต ะ, ตะเบือตะนายในวัตตาทองสามนั่น<ม>โอ้ยหมูเห่าไอ้จังไงสิดถุ่มเทให้มันเบือมันนายมันไข้มันเมาให้มันรุดมันพลนไปเอง หีบเดอ้ดอผู้ใดสัมสาซาสัมซามันยังหนุ่มอยู่แต่เทาปานผมเนี่ยกระซิยังยากคือเด้สารพัฒนได้โลกสิสูมมากเขาเฮ็ดสมือนี่เขาเยอะนะปัจจัยซีสมือนี่ บ่มาเฮาสิอยู่เพื่อติดดอกไฟสิเพ่งทษดไฟกับว่าถุดอกแต่ยุคด้วยขั้วมันจำเป็นบ่เห็ดผลบุ้งนี่อี๋เพราะชีวิตเหนื่อยด้วยขวาวมเป็นอยู่ดิหอนก็เ ป, นนกเป็น่หนหนาวก็เป็นเ้็กกันห่อนบ่เป็ี่นหนาวบ่เป็นขีกินบ่เป็น่นขีบ่เป็ีนของแม่บอกมันบุ้นี่ใส่กระตองลเลยเฮ็ด คุณก้นเพราะว่าเรื่องบูลณะหน้าก็ดีเรื่องก่อสร้างก็ดีมันต่อเป็นเรื่องของงานของงานหมดจริงอยู่ของมัจริงก้อยเขาเหตุมดส่วนรู้กันพระบ๊อบเปเบิรงเขามันเหตุถือก็มันเหตุบ่ถือพี่หันมาท่านกุมก็จะเอาไปไว้ยังไหนหันถามจะเอาไว้ยังไหนหันพระบ๊บเบิร์นําป้อยเขาเหตุมัดบุงรู้เขามันถือก็มันบ่ถือแกว ตรงในเบืง้งแหละทำมาพุทธิเจ้ายางแตงผงโขคลาเบืองมุมติดปายเขาเหตตาอมาเพอใจเบของนางวิสาขากุฏีหลังนั่นควนตั้งอลหันสวมหลังนั้นควนตั้งหลัหันนั่งเลยทยั้อยกขกงค่วนตังน้งไว้งชั่นสาลาขวนตังน้งไว้ช่างชั่งบัานหันบ้นหันเงอนเจ้างบประมาณหลายปันไอเป็นจานวนเท่านัทานที้เอาหันพอดีกับเงนเจ้านั่น พวห่หาใหาดขาตใจเติต ม, มก็ต้องบอกอป้ายเขาเห็นเหมืมอนมุ้งลูกเขามันถึกข้มปะมะลผสมของพระพุทธศาสนามันก็ต้องเลยบอกในนี้ในน้ำเรียนตลอดถึงคพมอยู่ควิมกินป้ายเขาเห็นเหมดอัมุ้งลูกเขาบอเอ า, ลาเลือดเลือดาให้กินมองท่านรวดว่า เมื่อยนค่าวว่าเขาปลนรถปลนเรือนะมพถะยืนน้่หันจักเทื่อเด้ท่านไหนเขาปลนมิถะบุมีบุมีผะดิ้มีพะนําหนาดิมแตะเขาหลวนหลวนดิขัดพาไปนั่เขาก็อุ่นใจที่ฮั่นบัวอันไหนละวัน พื้เบื้องลูเขาเป็นคนดีเติมได้อาจารย์เขาตายแล้วอาจารย์เขาเห็ุจังไหนผ้าเหตุจังไหนเขาสืบปฏิปทาของอาจารย์เอาพราเขาเขาเหตุสันไม่ประโยชน์ยังสั่นพรเขาอยากสังสรรในฝ่ายพระปฏิบัติให้กรมเกินกันไหวเขาบอ่อยากให้แตกแยกกันยาก เขากหวังเพึงควายภาปะปฏิบัติข้นพวกหนึ่งหลวงสันเอารลอดแล้วมันที่วังซื่อวังเสียงไปสั่งดอกเขาพบขาเขาก็าาลบอาจารย์เดิมเขาไงละ่ะมัวยังดอกตายไปป่านหนั่งเขายังเขาลบยู่ เพิ่นตายกูเสียเงินไปเฮ็ดคาสบเพิ่นพ่อแห้งอะ่เพ่นเพิ่นยังสิในกูไปเที่ยวหาทางสันวันนั้นวันนี้ยู่กูโบมันเสีษฐีเขาบริวาดิเขามีที่ไหเขาก็ไปเ่ไหมตอนนั้นมมชั ด, ขชดขเข้มจของเขาเขาเรียนักถือใครละเขาเรียนนักถือคู่ได้ละกันฮ่ไปวอาให้เขาค่ายควมนักถือคู่น่ะเขาสร้างฮ้าเขาขาได้คุณคนไทย มันเนงง่ายๆดลวงปู่มหาคนฉลาดที่สุดทำข้อนี้ท่านอาจารย์ลีไหวอย่างนั้นท่านอาจารย์มหาจะไหวยังไงทำข้อนี้ท่านอาจารย์ลีไหวอย่างนั้นท่านอาจารย์มีเกอย่างนั้นท่านอาจารย์มหาจะแกยังไงจะมาหามันคลนขุง่ายๆิ เมื่อท่านอาจารย์ลีตอบแล้วอัตมาก็ไม่มีสิ่งที่จะคัดค้านไม่สามารถจะคัดค้านท่านได้ก็ลงเอยเท่านั้ น, นพวกพวกเจ้าจัมบุรีเขานับถือกาาันลีด้วยหลวงปู่มหาค้นปัญหาว่ามันของไงๆด้วยนถือเป็นอย่างย่างด้วยนถือมัตสูนเนียวห thứ này กิเลสมันเป็นเรื่องหนึ่งมันเป็นข้นละเรื่องเรื่องกิเลสมันกับเรื่องโลกมันก็เป็นเรื่องเดียวกันกัเรื่องปฏิปทาเพื่อที่ปฏิบัติผล จ, จากกิเลสมันก็เป็นคนละอันกรรมฐ า, านทุกสิ่งทุกอย่าง ม่กระต่างฐานไว้ในจิตในใจมุดข้อใจเป็นหัวนากรรมฐานนูปูมันตายแล้วนิพพลานเหรอหาหัวนากรรมฐานใหม่เอาเพื่อนอาจารย์สิงคันทยาขาโมยไปยังสักตีหนึ่งปรึกษากัน ฉันมันคือมัดตังมักแตงแท้ท่านหปู่ของมาพกพุทธพ้นไดแตงมาแตงมันกัดไงตั ว, วสัง่งก็พอเพิ่นเพิพพสายไงกูมูสัง่งมัดตงมักแตงนีงกระโดดสั่กาบเลี่ยนหลปู่มาหารับหลังงูหันหัวนากรรมฐ า, านขึ้นหัวใจนี่แล้วคนวา มันเจริญถือเพื่อกระทือเพื่อเจริญบ่ถือก็เป็นห้อยใจขนาะว่าชียวชีวิตหัวนากรรมฐานมาจะใส้อีกเพื่อนวะเพื่อนบอกประมาทเลยมดคึ้วะออกไปก็ได้คุณเดวิดฟังออกมาแล้วพูดอย่างนี้ไม่ออกมะตาย หัวหน้ากรรมฐานคือใครคุณเดวิดก็คือจิตใจนี่เองเข้าใจไหมจิตใจพลิกไปทางถูกพลิกไปทางเป็นนิยานิกระทาเพื่อจะนำออกจากโลกโกรธหลงก็คือหัวใจเป็นหัวหน้าพระกรรมฐานรู้จับไหมเออ สกุลดาน ล, ะละ่างกายถ้าสกุลในใจมันก็นเป็นคนละส่วนแต่สกุลแตใจ ห, หวังอยากให้สักุลและกายเนี่ยอำนาจวาสน า, อาของเจ้าของสินี่แหละอำนาจวาสนาเจ้าของจนงงวุ่นวีขอบเขตทวาะ ไม่อยากให้แก่ไ่อยากให้เก็บไม่อยากให้ตายมม่อ ย, อ, อยากให้เป่วยบม่อยากให้เ n ่าอยากให้หม่นอยากให้เที่ยงอยากให้อยู่ในกำมือของโตมดมันก็นอยู่ในกำมือแต่สิ่งที่โบรลณวิสัยเป็นต้นแล้วผ้ายางไปในทางที่สอกคือเรือนจุบม ข้านางในทางที่สอบคือนางภาวนาเนี่ยบริวรสิสายเลยนะธาตุที่ดินหนำไฟร่มมันประสุ่มกันมันพอ่อเป็นไปได้อยุนะผู้ที่พ้นทุกข์กับมันใจผู้เดียวผู้ที่พ้นทุกข์กับมันใจผู้เดียวผู้ปฏิสีปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์กับมันใจอันเดียว แต่มันทําอันเดียวผู้ที่เพิ่มควมหลงจะคล้องความาม่ใจอันเดียวอันอื่นบอมาเพิ่มอะไรธาตุดินนาไฟลมมม่ ม, ม, ลล บ, อ ม, มลลบอมาเพิ่มควบหลงได้และบอม่าให้พ้นจากควมหลงได้และบอม่าเพิ่มได้ใจที่ขาดจากสติขาดปัญญาขาดจากเหตุจากผลเฉพาะส่วนตัวซื่อ จิตใจไม่เหตุไม่ผลเฉพาะส่วนตัวจึงจะเอาตัวรอดไปได้โลกตาโลกหูโลกจมูกโลกลิ่นว่าสำคัญเพราะเขาขอบอบได้ว่าเขาเป็นโลกแต่ความจริงมันห่งมันโลก ทั้งปรมัดหรือทั้งผสูตรตกลงเป็นพญากิตตลาภ์ทุเดียวที่ประกอบด้วยควอมลงเจของไปเทียเท่ยวหลงเที่ยวหลงเที่ยวไร้เที่ยวล้าทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเรื่องอดีตไปเป็นผู้พานมากกับพญากิตตลาดเป็นผู้พานมาก เร อ, อนาคตมันภผยผ่านไปอีกกับไผ่ย่าคิดตลาดทีเป็นผู้พานปัจจุบันมันผู้ไดสิบุตตัวเข้าไหมครับไผ่ย่ญญคิดตลาดสิเป็นผู้รู้ตัวข้ามันสืบูตรผันบ่ลูกผู้สืบล้งเจ้าของกับมันพระย่ญญาคิดตลาดผู้สืบล้งเจ้าของกับมันพระย่ญญาคิดตลาดวัดตถจักมันไผยภายพาเป็นพระย่ญญาคิดตลาดเป็นวัดตถจัก หมุนเวียนด้วยควบโลกควโกลัวควมห ล, ลงจ้ของ mm hmm. ใครที่เป็นผู้เห็นพระนิพพานใครที่เป็นผู้เห็นขอวัดปฏิบัติเพื่อพระนิพพาน ผู้ใที่เป็นผู้มีศีลใครทีเป็นผู้มีสมาธิตั้งมัน่นใครที่เป็นผู้มีปัญญารอบรู้สังขารการเมันการเมันปัญญาจิตตลาดประกอบด้วยสติปัญญาของตนบนผู้อืน่นเฉยมาญาติลูกบนผู้อืน่นเฉยมาหยาดงู บนผู้อ de ื่นขม่าส uh ิงด uh hey ีส uh ิ่งเด่นตาก็บ่าม้าชิงดีสิ่งเด่นกับคิดกับใจหูก็บบ้าม้าชิงดีสิงเด่นกับคิดกับใจจมูกกับ่าม้าชิงดีสิ่งเด่นกับคิดกับใจลิ้นก็บ่ามาสิ่งดีสิ่งเด่นกับคิดกับใจไตกับบ้ามาสิ่งดีสิ่งเด่นกับคิดกับใจนี่จะคิดใจผูเดียว จิตใจบ่ฟึกนฝนตนสยฟฟิยหไไภัยฟืกนฝนจิตตังท่านตังซุป ข, ข้าวหารคิตที่ฟึกนฝนแล้วน้ำซุกมะไฮสันไพที่เป็นผู้ฟืกนฝนจิตหนตาห้หูห้จมูกหคยริมุนบอกกระมนาที้คอพูกเจ้าเอากาิกกะเนบะ ท, ทายนล่งอันเดียวผูขข้จิต สิขึ้นสูพระสวัดิกับคือกิจสิขึ้นสู้พระเจ้าข้ามกับคือค ก, คกิตสิขึ้นสู้พระอนาค้ามีกับคือจิตสิขึ้นสู้พระรามกับคือจิเท่านั้นสิชนะควหลงเจ้าของไปเป็นต้ น, ตนกระไดผู้อื่นรู้ว่ากยากแผ่า ย, ยาดนะน ตอนไหนก็ลงถ้ำตอนนั้นขันเข้าใจจิตตอนไหนก็เข้าใจถ้ำวะตอนนั้นภาษ า, าลีโกพราะคิดมันไม่อยู่ทุกการ ยัดตังเป็นนาที่คิดทีดะลุเฉพาะตนเฮีย e ฮิปะสติโก้ควรลองเรียกฮานมาดูได้ก็ลองเรียกคิดฮานามาดูลองเรียบลองเรียบเจ้าของฮานามาดูลองเรียบตามันกับโมจิจักฝ่ายยังมันไม่นาทีจะเห็นลูกเท่านั้นนี่นาทีจะเห็นมันกั บ, บ่ม ย, ยืนยันแลมันเห็นอีกคนตายมันกับบริ ย, นยนินยันแมันเห็น มันกับปฏิปฏิเสดระมันพอเห็นมันจิตถือผู้สมมุติจิตตาสังขารถือขันโมอาเปน๋นสั้นถ้ำทางร้ายก็ย่อนลงเป็นเอกนิบาทมัดโอ้ก็นาย ก, กนอมเขามาใช้ใจนอมเขามาใช้ถ้ำมัด มันลงในจิตคือสมาธิรอบลูในจิตคือปัญญาตัดศีน ล, ลงในจิตคือศีนตกลงศีนสมาธิปัญญาไลยเป็นพลังอันเดียวอยู่กับจิตกับใจเออบ่เง ย, ย, ยกพันไปใช ข้าความเชื่อวิระควมวิริยะควมเพียมสติควบในเรือใดสมาธิควมตั้งใจมั่นปัญญาความหลบหลูไม่เป็นเสือมพาเกียวความกัก่นพันเขา่าหิวหันเรียงแบบไปแท้มันกลับมาป่มันกลับมาหาคิดหาใจนี่ลหละตัะหาบนอื่นหนวกจากใจก็บม่มีอันใดที่มาลงใจ นอกขัดใจก็บมัมมีอันใดที่มารู้เท่าใจนอกขัดใจกับมัมีอันใดที่มาปฏิบัติใจนอกขัดใจกับมัมมีอันใดที่มาทําลายใจได้นอกขัดใจกับมัมีอันใดที่มาส่งเสริมใจได้ในสิงที่กวนส่งเสริมนอกขัดใจกับมัมมีอันใดที่มาขีดกันใจได้ ขีดกันในสิ่งที่ควนขีดกันชงเสริมในสิ่งที่ก้วสชงเสริม่งเสริมให้พีจาหน้าแก่คมหลงจับของสิ่งที่จับของเคยยับยึดเคยถือม่านเป็นของหมันของเทียงหรือไม่เป็นของอยันในวงแขนหรือไม่เป็นของชุกหรือไม่ เป็นหน้าที่ของจิตที่พี่จะน่าพร้อมด้วยสติปัญญาจิตพันรหัสมีดวงเดียวคือดวงโบรโุโบโกรธโบรลงคิตของภรรยาบุคคล ยังมหันพลมีแปดมีเจ็ดดวงพระโสดาบันอ er ีก네สักขท่าข้ามีอันหน้าค้ามีอีกส่วนอรหันนี่มีดวงเดียวดวงอันโบรโลกโบรโหลงกันล่ะถ้ามก็มีอันเดียวมันถ้ามันรับชนิดรับยาควบหอด คันหักว่าเฮาเห็นขันว่าเห็นโทษเนี้ยก็เกิดแก้เก็บตายในสันยามนี่ลหละมันก็ได้กำลังอยู่ือกันขันหักว่าโลกทั้งหลายบรรจุแต่ของป่วยของเน่าทั้งภายนอกภายในท่าไกล่าใกล้ พกพี่จะหน้าเห็นพงเปลือยของเราเอืดเติดเสมือหน้าของไส้คำว่าโรคเต็มไปแต็มค่างกระดูกก็เทกับพี่จะนาเอืดเติรดเสมือหน้าของไส้คำว่าโรกเต็มไปด้วยถึงแต้งนังก็เท่ากับพี่จะน้าเอืดเติรดเสมอหน้าของไส้ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันคำว่าโรคเต็มไปด้วยแต่ผมขนเรียบฟันั้ำเนื้อเองกระดูกเต็มไปด้วยด้วยแต่ถ้าทับที่ดินน้ำฟอยล์่มก็เท่ากันก็พี่จะหน้านี่ จนลูกปลาโลกนี่สนเสมอการเออเตอบทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งควบสวย อ, อารมณ์ซุบทุบอุเวกขาเวทชนาสัญญาสังขาเวียญยาณโลกฝายน้ำกระเต็มไปด้วยอันนี้กับพี่จ้าหน้าออเตอร์เสมอในากองใช้ทั้งปัจจุบันทั้งอดีตทั้งอนาคต สังขารโลกโลกคือส hmm. ังขารล่ะโลกทั้งปวงรวมรวมลงมาในสังขารโลกมนุษย์โลกก็รวมลงมาในสังขารโลกสัตว์โลกก็ร่วมลงมาในสังขารโลกเทวโลกก็ร่วมลงมาในสังขารโลกภพมรโลกก็ร่วมลงมาในสังขารโลกเทวโลกเวนซ์เวนเวนซ์เทพอันบริสุทธิ์คือพระราหันเวนซะ ยกไหวอนนะพระมาจันท์อันชุดยอดคือพระละหันกัยกไหวซ่านโลกทั้งหลายร่วมลงมาในสังขารโลกบัดสังขารโลกก็ร่วมลงมาในอนิจจาโลกในอนิจจังโลกทั้งพายนอกพายหน้าพ่ายตายพ่ายต่อดีตอนาคตปัจจุบันหยาบละเอียดที่โลกไปร้ายไปไปใชสกับไปเถ อ, อะ บุคคลอันนี้สิวมดขึ้นสิวมดขึ้นกับมีดเทนี่สิฟิกีน่ามดขึ้นกับมีดเทนี้ในในโลกนี่ผลของโลกเมียเนี้ยไรยรับแต่เป็นทุกข์ดูตัววุลุวุลูยตัวก็ตามผลของอ น, นิจจังคือทุกข์ ผลของทุกครั้งก็ทุกปวงตัวแล้วผลของอนัตตาไฟาทั้งคานก็คือทุกขันโลกทั้งร้ายา ย, ดดยับเยินด้วยทุกทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันยับเยีย ด, ดย้วย อ, อันนี้จังทุกขั้งอนัตตาอยู่แล้วนีปัญหาข้อมสงสัยนีน่แก้กล้าไปนาพอหรือหยุดย้อนพอลลง มันก็นับมือสิยุยยอนพรล่งเสแล้วฮะนี่มันจะเอาอำนาจมาเจ้ประตูได้ฮะนี่พี่หจ้างายก็เห็นอยู่ยัยยยยงสั่นจริงยูยง่ยังสั่นความละอาลาถอยในวัฏสงสารฮะนี่กับความเพิ่นฮะนี่ความเพิ่สนถือม่าจากประตูได้ฮะนี่ ก็มีเจตจิทุ่มเทพค้อมละอาลาถอยลงทอนั้นตัวให้อันค้อมละอาลาถอยในวัดจ้าท้องสารขวอมเห็นโทษเห็นภัยใ น, น, น, นมันโมมันตัวศีลบอกมันโมมันตัวสมาธิบอกมันโมมันตัวปัญญาบอกยรือเห้นเป็นศีเป็นเขาลงโซ้งเลยเส่งมา่ามันจ้งสีวา่าแมนใช่ไหมบอกผุ้ขานี่เราเป็นตัวศีลเขาโค้งลงโค้งนี่ล่ะรือผู้านี่เราเป็นตัวสมาธิเขาเล่ ผู้ขานี่ตัวเป็นยาตัวปัญญาเขาแหลมก็โม่ใช่ไหมจีไทเป็นหูมากคืองอกคือค้วไอคือราชสีนี่เสมอควมเห็นทรัพย์จังสั่นควมละอาจังสั้นควบที่จะหน้าตามเป็นจิงสั่นว่ามันตัวศีลว่ามันตัวสมาธิว่ามันตัวปัญญาบอกว่ามันนับมือสิข่ายควบมาว่ะ ว่มันสิน้นควมสงสัยในโลกทั้งสามเราบอกว่ามันโลกก็วิธุรูจแจ้งซึ่งโลกเราบอกรูสังขารนะรูแจ้งโลกกับรูสังขารบ่ามันมัน้หมายอันเดียวกันบอรูอันนี้จังกับว่ามันข้วหมายอันเดียวกันบอรูทุกขังกับว่ามันมันวหมายอันเดียวกันบอโลกก็วิูุเนะห็นทุกในปัจจุบันในทุกอดีตอานาคตทีไปสงสัยเห็นอย่าง เห็นอนิจจังในปัจจุบันอนิจจังอดีตอนาคตจะไปสงสัยให้ยั้งผู้ใดเป็นผู้เป็นอดีตอนาคตอยู่นี่ก็มันผู้เดียวนี่ตัวเนี่ยหย่อนลงมาย่อนลงมาย่นลงมาในตัวฮะนี่ของบมันสิหวังว่าสิปฏิบัติเพื่อสิคูดหลงนี่เดียวเนี่ยเพื่อสิลบหลงออกได้เดียวเนี่ยมันมันสิเอาหลงบวกหลงนี่อย่างเนี่ยฮะนี่อวิชาขั้วงอมันสิ ตั้งปัตูมาเลเซีอีกค่นี่มันถืไป ร, ร่วมพนมาได้ซียค่ะนี่ตันหาคว่ำทะยอทยานในโลกมันถืมาจะเซีอีกค่ะนี่แต่มันเห็นสัตวตรงังสั่นหรออุปทานคว่ำยึดมันถือมันในโลกมันถืมาเลเยอีกค่ะมันถืยึดมันถือมันเอายังค่ะนี่อันใดก็มิจะแนวว่ามันบดเสียงทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันล่ะค่ะนี่ยดีในพบในทราบมันถือมาจากปักตูได้อีกค่ะนี่ มันกระนับมือสิยอบลงคือพักหนึ่งนีเสร็แล้วของพี่เจ้าน่าเนื่องๆเน่พระวิตาพระหงเรีกตาเด้สังหวัดตันติอภินญาเนี่ยนะพาะน่จะโพที่ยาเนี่อตินะสัจวัตเชน่ะสดที่เตห์ัวตัวสัพพธาเด้่พี่จะนานายอยู่เนื่องๆเนี่ มืดตายอยู่เนืองๆมันสีมืดมันใว่าได้สไส า, านถ้ามันมืดกระไตไฟซะไหยมันยังปัญญาเน่น เห็นอันนิดจังลงสัตอันเดียวท่านแหละกับพีลังคือกันนัะเห็นทุกอันเดียวท่านนั้นแหละลงสัตติดต่อกันบ่มีเรื่องขึ้นสัตบ่มาเห็นด้วยสังากับีกําลังคือกันเห็นความตายอันเดียวแปลเติดทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเนี่ยบริสุทธิ์ใสในความตายก็มีกําลังคือกันเห็ว่าังไง่น เห็นคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นนิยายนิกระถ่ำนํนามซัดทั้งหลายออกจากวัตอาสองสารพวกนิสัยสัทธาจริบก็นี่กํานั่งคือกันพวกล่าคาจริตเห็นแต่ห้างกระดูกอันเดียวเหลียวไปแท้กี้เหยียบแต่ห้างกระดูกโลกหรือบรรจุแต่ห้างกระดูกก็เชนตัดสินลงมหันตอันเดียวชิงนี่ยุ่งยังไก็ได้กํนนกนานั่งคือกันละฮะเนี่ สัพพะอนัตตาทั้งปวงกยยลงมหาเอกอนัตตามันไฟเกิดไฟดับนี่ว่าไฟพนิพานถึยกไฟชะนะมันตัดควอมนิเพื่อนช่วงนี้ซึ่กันไม่ยังสิไปหอดนิพานนะบว่าก็ได้ดอกอนันตัดข้อมเพื่อนช่วงนี้ไปแล้มึงไปเองดอกอนันตัดข้อมเพิ่นช่วงนี้มาได้หจ้างมาได้นิพานนิพานนิพานิพานวามดมือก็บได ว่าจะปากสีก็บ่ได้นั่นเนรอเราเห็นทรัพย์ลุงยังสั่นหมดเลยว่าใคมาตัวได้ค่ะขอมาตัวไดนั่งอยู่บันล่างเดียวขณะดจิตเดียวเห็นทรัพยจยังสั่นล่ะเบ้งยั้ไดก็เห็นทัพย์จยังสั่น่าจสงสัยจะเคลื่อนตอนเห็นเชื้อกำเว้พุ่นทีเบงในลุเขาลบออกเป็นยังสั่นอยู่ สืบงนณะจิที่นึกคิดกัเป็นเงั้นอยูอย่ พ, พ, พยคือพยับแดกนี่สเบงในขณะสัญญาก็เห็นพอคือขณะคือพยับแดกนี่ยรื อ, องั้อันหเป็นตัวอนันจังบอกมเป็นตัวทุกครั้งบอกมืเป็นตัวอนัตตาไฟาทั้งขานบอกเนี่ย เนื้อวมตะซาว่าตัวเรตัวสมาธิโมานบวมเป็นว่าจีสังขารหมดนะบมเป็นชัญญ้าสังขารหมดนชั้นัญ้ามันกลเป็นสังขารคือกันหมันเกิดเป็นดับเป็นเด้บวมวิญญาณสังขารหมดนะวิญญาณค่วมรูอันใดๆทีเรียกว่าวิญญาณเด้ของละเอียดก็ดับตามละเอียดเกิดตามละเอียด ตอกันมามีก็เว้นกันขึ้นดับเรี้วเกิดเรวแล้วเกิดติบตอกันของหยากิดดับตามหยาเกิดตามหาแปลคววนตามหยาอันเกิดอันแปลป่วนอันดับมันยังแต่ว่ามันตัวไตรรักกันบ่สันไตร์ลักมันยังบั่มันโลกบ่สันนี่มัน่ามันราบมันพบบ่ัน มันมัช <g ül üyor> <invece S 2> ่ลามาแล้วนะโสกขาปฏเสธวตุกระโทมนนะอุปายาตเพราะฉั้นพราะทั้งหลายสิอยากให้อยู่ในอำนาจของโตมันโมยู่นีหน้าที่เกิดมันก็เกิดยางพึ้นพายมีหน้าที่เปรอะป่วนมันก็เปป่วนยางพึ้นพายมีหน้าที่ดับมันก็ดับยางพื้นพายใ่ไมันอยู่ในอำนาจของผู้ใดบอกเมื่อมันเป็นเช่นั่นละเขาบอกข่เมาไปเสีมาข่เข้าส่หก็เ่รามันอยากโอโซนตอขันเทาพี่จะาังน ก็บอกมันก่อยแช่น้ำหมฮอเข้าพี่จ้าหนาอังสันก็นับมือสิจืดไปสัตวกัวเขาพี่จ้าหนาอังสันเมื่อทำไรอวิษณซ่าบอกสั่งควบงโงตัวอวิษณซาบมน่ได้โงว่ามันมันมันเทียงยักเที่ยว่อได้โง่มันเป็นชูกยักเที่ยวม่อได้โง่มันเป็นตัวเป็นตัวเป็นสาเป็นบุคคนยักษ์เที่ยวบอกังสันฮะนี่อวิษณ่าที่ว่าจะใส่ังสันฮะนี่อวิชณ์ซ่าแปลว่าควงโงดฮะนี่ สังขารือวังปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอันนี้าิสังสังขารวังมนุษย์ชมวัดวังสวรรค์ชมวัดวังพุ่มชมวัดก็บ่มีในทางด้ยไทยเลยอะค่ะเนี่ยอี่สังขารสามมันสมาจะใส่ั่ปุญญาภิสังขารอภิสังขารเคือบุญอปุญญาภิสังขารอภิสังขารเคือบาปอันนี้นชาี่สังขารอภิสังขารเคื่อเนี้ยชบอติดอยู่ในสมาธิแล้วมันสามาจะใส่ั่เออ ชมาที่มุดกำลังกระถอนออกมาว่ามันตัวอันิจังบ่สั่งนั่นนี่นนรถมาบัเกิดยังเป็นตัวอนิจังเง่อนพวกเขาได้เขาได้เก็ตมือกระถอนออกมาพยายอกมากนั่นามันตัวอันิจังบ่ไหนจะคิดใจพระยาเจ้าพลของพรติศอยู่ด้ทั้งอดีตทั้งอานาคตทั้งปัจจุบันนะฮะหน่อ ปัจจุบันเพิ่งกระส่งขึ้นเนีปัจจุบันสะอาดีเพิ่กระส่งขึ้นหอดีะอานาคตกเงรส่งขึ้นแหคตจะเพิ่ง้งจังมดละใจเพิ่กระส่งขึ้นแห่ใจสกายเพิ่กระส่งขึ้นห่กายนะฮเนี่ยผู้ลูกเพิ่งกระส่งขึ้นห่ผู้ลูกสะอาดดีกระส่งขึ้นหอดีหน้าคตกระส่งขึ้นแห่นาคตระบ่ได้คัดค้านสมุดก็บ่ได้คัดค้านไม่มุดคือกันก็บ่ติดย่ทั้งสองเงินฮะนี่เพิ่มติดย่ทั้งสองเงินสิว่าม่นะทิถี สิวาอาวิชชาพ้นยุติสสิวาข่ม ง, งพ้นยุติสายสัสิวาตัณหาสิวาอุปท า, านพ้นยูสส่สายสนตังอยู่บนใดสันสิวากรรมพนยสสันผลของกรรมคือวิบากสิวาพนอยู่บนดสันวัตตะวนสามีเด็กเกิดขึ้นผ้าให้เท่ากรรมกรรมเกิดขึ้นผ้าให้ได้รับวิบากว น, ยนอยู่หนึ่งเรียกว่าวั ต, ตะวนกรรมแล้วผลของกรรมสิวาเจ้าประตูไดสัน เราบอกองศอัลลอว่าเอาโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันรือไม่ทะเลโลกกรตามสัพพโลกยตนลงมาในโลกปัจจุบันสัพพท่โย่นลงมาในร้ำปัจจุบันสัพพสติย่นลงมาในสติในปัจจุบันสัพพปัญญาเรื่องยนลงมาในปัญญาในปัจจุบัน ตีก่บนยุคกัปจุวันเนี่ยแตกทั่วตัว สัพงขารกัยนต์ลงมาเองเอกสัสังขารในปัจจุบันควบเ้าในสัพพสังขารกับสัพพทุกขกับพิโคไม้อันเดียวกับสัพาอนิจังกับพิคไม้อันเดียวกับสัพพธาตุกับพิโคม้อันเดียวกันน่ะธาตุดินนำไฟล่มเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุเนี่ยยกพายในพ่านธาตุเสียลุกพายในพ่านท่ามเสียไว้ตั้งหากอันนนเนี่ยเสียมาเป็นควบเงนกับซุมนี่หรอกพอพระนิพ่านมันเหว่าเลย เพราะภาพานธ์โมเมน์พูดิ่งเพราะพายในพันธุ์โมเมนต์พลูโูลูดิเพราะภายในพานธุ์โมเมน์พูศูนย์นี่เพราะภายในพันธุ์โมเมนตูลูว่ศูนย์นี่ผมมาได้ยืนยันอีกยังอ่ะหองสันเอาโลดว่าสิเอาผนมาคุกเข่าน้ำมันกับว่าถกแล้วหลุดเรื่อยๆปุ่นี่ก็มีแต่อายสําคัญในกองทุกเท่านั้นแหละหลวงสันเอาโลดว่าพายในพันธุ์โมเมนต์ถิมวาน้ำนี่ มมาสีมาฟังนั่มเลยพันิพานโมมาสีมาพี่จาน้านั่มเลยควบฟั่งควบโง่ควมพี่จาน้านี่มันเป็นเ <Yeah. S 1> ร, รื่องุองนทางเดินข้าสูนพันิพาณต่างหากเป็นเรื่อสมุบัญญัติตัางหาพนิพานคือโมมาสีไปเป็นเพจเฝ้าศูนย์อยู่หรื่มมาสีเป็นเพศไปเฝ้าอันบวศูนย์อยู่มมือโมันสีไปเป็นเพจเฝ้าสมุิอยู่ ก็ว่ามันจะไปเป็นเพดฟอ ว, วิมุตอยู่ไม่เป็นตัวเป็นตนเป็นลูกเป็นน้ำเป็นขันอีย่างมันมันจะไปยืนยันอนันศูนย์ศูนย์ม่นมันจะไปยืนยันอนันโมเมนต์ศูนยมัน ม, นมดแนวยืนยันมอดแนวปฏิเสธหรอมัดแนวรับมัดแน่อัดหรอมดแนวเขียนมัดแนอลบ้วอมดแอได้มดแนอ เ, เสียหรอเอาหม้อใส่ข้างมืนกับว่าถือข้าง น, นัง่นล่ะปานเต้ากับปาเนี่ย ป้าผมว่าเอ้ยคือจิตตบมหันบวกว่บวบวว่บวแม่้เพ่าเตออคือแหน้มันหันบอกไข่เป็นมวลเม่านึงนี่บวกบกบวบวกเพาะว่าเเมื่อคืนบกก็ะไดลงน้ากรเป็นได้เตา้าพูดนบวกกรไดคือเตาข้อนี่ก็เอาใจว่าแนะนำนามาเทียบด้วยกันเถอ คืจิตมบนบนคอยมนออกมาของนี่อยึ้นหันใจนี้ว่าว่าันบ่บ่บ่บ่เขาวะประสันได้ก็บอันเดียวกัให้ได้คือผลผลไปได้ผลมาบอกให้เขาฟังเข้าออกมาเทียบนําเตะกีเลียบของเขานี่เขายู่รดับได้เข้าอกมาเทียบอระดับนั่นแหละยังมาทแต่ละบดระบาดของมาคุตเก่าทรงตพอนี้ยคานลดใส่ตีวายลงในกระซัง เจ้กิเลสท่ามี่มันของทรงตอบไดยซื่อนโมตัสขาของปุตตุสุนก็บกะนอมไปเนวหนึ่งนโมตัสขาของปัสดาวันก็นอมไปเนวนึงนโมตัสขาของพระสกทาข้ามี่งก็นอมไปเนวนึ่งลราก็กันลงไปนโมตัสขาของพระสกทธาข้ามี่งก็นอมเลืกลงไปก็กันอีก นโมตัสสะองพระราหารันกระจบทนโมเหี้ยนจบแล้วนอบนอบจนบุมีกฤทธิ์นโมแปลว่านอบ น, อบนอบ่อดพุทธัทงสารนั่งคัาเมี่ยพุทุ้นเหมือพุทธัทงสรนั่งคาเบอคัคัดฉาเรศผุนคัดฉาผีคัดสางผุนซุอผีซื้อแสนําอยู่พุทธทังสารนั่งของพระโสดาบันสทึงพระเมจันเบื้องต้นและพระพุทธศาสนาวานหอ พุทธังสละนั่งคัดสามีของพระจกักรทาข้ามี่ผันเบาไปก็การอีกพุทธังสละนั่งคัดสามีของพระอนาข้ามี่ผันล่าขะผันหายเมือสโทษสากรหายเมือ่อขาดเมือเ่อแล้วนี่พุทธังผู้ดังทำมั่งผู้ังคัดสามีคนน่ะพุทธังทมั่งสังขังสนั่งคัดามีของพระอรหันต์ันจบกิเลสบดี บ, บุพีโลกมือกลัวเบี้หลงอันนั้นแต่ชนะค่มขมแท้แท้อีลี่ไม่อหับกปู่จังเม็ด ไปทับย์ทัพ์กับว่าคมสักเนี่ยเห็นใั้นจริงว่าถาำเจริญบดระบาส่ ง, งถึงต่อพระนพิพพานพระพุทธเจ้าประเทศบางบอนผู้นึงลงมลหกพุ่นผู้นึ่งในพระโสดาบันผู้นึ่ในสักท่าข้ามี่ผู้หนึงในอนาข้ามี่ผู้นึงสาเล็จพลทหารผู้หนึ่งปฎถนาพระพุทธเจ้าผู้นึงบปฎถน้าพระพระเจต คุณหลองพ่อปาดพนาพระลูกชายบังัวเาน่ถ้าบทเดียวกันมาเห็นสาระธาดาบทบอกเพราะฤาษีก็พโมกข้า่าใสยราิเป็นสาระธาดาบทเพราะเจ้าอโนมาทัศนสีมากพร้อมด้วยด้วยบริวารสอง0มืน 20, พอหลังขันทั้งนั้นมา โมกขล่าพอแล้วเห็นสาวกบวกอหัวของพระเจ้าอานกมาทัศนีระจิตใจด้ติดเดียวหันฮะเนี่ยเพื่อเทศให้ขโมฟังฟั่งฟั่งทังฟั่งฟั่งน้อมจยากเป็นจยกเป็นสาวกองนั่นทศนิวุฒิไปเห็นสาวกบวกอัวของเพิ่นพระเจ้าอานมาทันีกระตุ้งเทศก็น้อมอยากใครเป็นอนั้นนะเนี่ฟั่งเทศพระเจ้าอานมาทัีอยู่ ส่วนนลูกศิษย์ของโมกคะล่าสาริบุตรมีทั้งละมืนอ่งพอเป็นสาราดาบุทั้งสองตัง้งใกฟ้องรรมบวังพหน่อยพบในบวชศักดิ์สีหน้ามาไฟหาานายังปัจจุบันไม่คิดปัจจุบันนะรรสศิรุทธพนกราบกรเกบวชฤศษผู้กาชินอนอบลงเดียวนี่พระท่านพลันเสด็จพลันหมืดอง่าน เขาล่าซาลีบุญแล้วยั่งอยู่ฮะ น, นี่เพราะข้าควบปาร์ธนาที่จะเป็นสาโวบงสายบนขัวนั่นถ้ามันเดียวกันวัดเดียวกันอันนั้นมันยังดีอยู่นะ่ะอันนี้ลงุงโมระฮกมันแหงเป็นไหก้ก็น่ะนะ ในถ้บอกมัดทนยังห่อหน้างมต่หูกงพระองค์เก่ามากหันมากเพื่อนางผู้นั้นมดบานมัดเมืองัมาเพื่อนางผู้นั้นหน้าเงยโตหงจักบ้าหจักเขาน่อยว่าจะทำหงจักหงจักว่าสตาย ตมาตสนางเลยเว้ยสบจักคนอยอนเลยสิมมาาหมายพวกเราบุจักคนไม่เกิดจากเมืองไหนบุนี่บุจากสตัตย์สารหรือไม่จากมนุษย์กับบจักอมาเกิดนะ่ยคนทั้งหลายดูถูกทินท่า่านังกันโตจอกจของตาหูงเย่แถมมาได้ใสก็บอกบอกคน น, นะผู้ที่เสื่อมคนหนาเดี๋ยว ถ้า่นแลยเทียนยองออกมุมมเด็จพระตดาวันบน่างไทำๆขออนของพุทธเจ้ามันก็เสียไว้จืดตัวจางไปใช้กลือตกหนามมันยังจืดจางเป็นท่อนของพุทธเจ้าจมัจืดจางแกนักป่ามันังจืจางแกคนพาด ออกจากพาาระรหันต์ลงมาหรอพระสิกเก่งวันนด้กิดอยู่แต่อำนาจของเหตุของผลทั้งนั่งอ่ะเนือเหตุเนือผลบล่ได้ ห, าหารอกหนกพรหันต์เสียเนือเหตุเนื้อผลไปแล้วเหติต่ำข้มซัวกับบ่มีเหติหต่ํำข้มดีกับบ่มีเพราะมันดีพ่อแล้วข้มซัวกัละพ่อแล้วเหตุิตละข้มซัวกับบ่มีเหติหต่ํำข้มดีเพิ่มกับบ่มีเพราะมันดีพ่อแล้ว ระหอยู่เ ห, เหนือเหตุเหนือผลผลกรรมเก่าตามมาถึงก็ตามตามมาถึงกัา ม, มาถือตเฮื่นห้างรูปเวทานาสัญญาสังขารเวทญาตของเพลนปลอยทิมแล้วเพลนไม่ได้ยินยันน้องแมนของเพนจะเคื่อกัมาถือตีเฮื่นห่างเสียแ ล, ล้วเขาบ้าข่าวพ่หมกขันลาเขามาถือเฮื่นห้างเพลนเออพ่หมกขันาลาล สุญญาตาวิโมกอ น, นมตวิโมกอปนหิตตาวิโมกผอนนกยู่บนบ่มีนิมิตผลบ่มีเครื่องหมายผลสุญญาตาสมาธิอันนมีตาสมาธิปันปนหิตตาสมาธิผลผลอยูบอ่บนจิตของพลว่างออกจากโลกสกคจากหลงมุดแล้วพนไปจากกองน้าลูกมดแล้วมักากับ พวกพูดมาตีคอดมัดตีก็มาถือต่กองน้ําลูกพ้นแล้วพนิพ่านพนมันกับมถือแล้วของพ้นถึงพนิพ่านน่ะสังขารมันขามันแกงกันมันกับขาแกงกันยุตในว่นในโลกในสงสารนี่มันตีเอาคอดไปตีพนิพ่านมันไปตีมาถือเด้ยกท่านนี่ยมันก็ตีถือยุติในสังขารนี่แหละกายยสังขารแต่ภาพแผนแป้งกายไวจีสังขารแต่ภาพอันแป้งไหวจ่าจิตตัดสังขารแต่ภาพแผ่นแป้งจิต มันก็ถือว่าแก้ขันเทวิบากันเลขันเทวิบาโกทุกโค่หะแหละขันเทวิบาก้ไม่ยังลูกวิบากน้าวิบากลูกประโลกน้ามะโลกลูกประโลกอรูปประโลกลูกประชันขันอรูปประชันขันลูกประธาตุอรูปประธาตรลูกประขันอรูปประขัน ลูกปาอินซี่อะลูกปราอิน ท, ปปนที่ก็มีความหมายอันเดียวกันลูก ป, ประถ้ำอะลูกปธาถ้ำก็มีความหมายอันเดียวกันก็บอกกายกับใจของเขาเนี่ละบอกกองน้ารูปของเขาเนี่ละพระพุทธเจ้าอสอนให้เบื่อนายกองน้ารูปนี่ละเบื่อนายโลก จะเห็ดยัไมไงตีแจ้งลูกระเบิดไปยิง่งพระอาทิตย์ผ่นสบบอโลกภายใน่ะนาะโลกภายในกับแต่ะโดกภายนอกเกือกันทั้น ผู้นได้นี่มันไปเป็นนอกผู้นอกมันลบเขมาน่ายมันกัเป็นน่ผู้ใน่มันลดออกไปนอกมันก็เป็นนอกมันกับผู้เก่าเนี่ยเพือ <ata> ่ออกตัวเก้านี่แหละผู้เป็นกำนัตอดีตกับเป็นผู้ปัจจุบันนี่ผู้เป็นกำนัดอนาคตกับเป็นผู้ปัจจุบันนี่ผู้เป็นกำนัดปัจจุบันกับเป็นผู้ปัจจุบันนี่ผู้สิริงอดีตแตเป็นผู้ปัจจุบันนี่ผู้สิริงอนาคตกับเป็นผู้ปัจจุบันนี่ผู้สีริงปัจจุบันแตเป็นผู้ปัจจุบันนี่นั่นเกี่ของเก่าครับเนี่ย ผู้สมมุดเอาหมูว่านกับเป็นผู้นี่ผ <m> ู <m> ้สมุต <ma> ิว <everywhere> <men ș begin> ่าหมูอื่นก็บเป็นผู้นี่ผู้สมมุดเดียวนี่ก็บเป็นผู้นี่สิว่ายังไงรสั่นได้ไผ่มาสมมุติอยู่นีสั่นผู้ที่นพ่นจากแจกของกับเป็นผู้นี่ผู้ที่นพ่นจากแจกของกับเป็นผู้นี่ผู้ฉีบเม่านำไร่แจกของกับเป็นผู้นี่ผู้ฉีบเม่านำไร่แจกของกับเป็นผู้นี่สิว่ายังไงรสั่น ผู้ใครกัแม่นผู้นี่ผู้กัตตาคกัแม่นผู้นี่ผู้ฟักกัแม่นผู้นี่ผู้บกใครกับแม่นผู้นี่ผู้บกกัตตาคับแม่นผู้นี่ผู้บกฟักกัแม่นผู้นี่ในผู้อื่นมาจะใส่เทนั้อนัはは่นโยนลงมาโยนลงมาโยนลงมาแหละครับวันเนี้ยครับเนี้ยทำบริมุนหยนลงอันเดียวย้อไปเที่ยวทั้งๆเบื่อคนล ทำทางไลมันหยนอยู่แล้วแต่ห้องของโบหยดซื้อขยายออกไปใช้ก็ออกจากเก้าล่ะเสือบเสนเก้าหะนี่ข่งมา ไ, วมา ไ, วไหวนี่นี่ข่งมาไหวไหมก็มาหยนเวลาขยายอาอกกับเสียบเสนนีล่ลหละ ผมเกาเนี่ยวันพ่อหูวัจนะพ่อหูวัชนาพอหูวันเรียกว่าวจชนะแปลวัชนานแปลว่าเขาพูดมากทานพูดน้อยก็ย่นลงมาหาเอกวจนะพูดคนเดียว มันกับไปสนทีกับโลกมันกับไปสนทีกับโกรธมันกับไปสนทีกับหลงมันะืออก ท, าทก้า่เกลียดมัวรเขาถามกันึงกันนะหน้ตัวนี้บังท่าตัวใดสะกดตัวใดสังโยกตัวใดห็นมึงว่าข้ากูที่ว่าดีเติอกูที่ให้มึงเงอบลยลงข้างหลังเพ่เพราะว่า หนาตัวนี้บ้างธาตุตัวใดสะกดตัวใดสังโยกตัวใดเวทมนตมู้ตัวนี้บ้างธาตุตัวใดสะกดตัวใดสังโยกตัวใดเวทคำนั้นไม่บาปมันก็ไปสะกดบาปแล้วคำนั้นไม่บุญมันก็ไปสะกดบุญแล้วฉะนั้นจากบาปจากบุญไปแล้วมันก็ไปสะกดพระในพราอนุผลแล้วบอกสัตวเอาลกะมู่นเดิมกับไม่ มู้นเดิมกับจิตใจลักธิธรรมธาตุมู้นเดิมมู้นเดิมมันก็เกิดบอดับเป็นอย่างก็คือพระนิพพานมู้นเดิมไฟเกิดไฟดับเป็นอย่างก็กคือบุญกับบาปคือสังขาร น, นี่ ข้าบูหูไผ่จีหูไผ้เ้าถข้าวบัพลนไผ่จีพลนไห่ข้าวข้าวบพี่เจ้าน้าไผ่จีพี่จ้าน้าไผ่ข้าวข้าวบัวชเนียกไผ่ิีสั้เนียบไผ่ห้าวอาคือสร้างลเข้าเข้าเข้าเข้าท่านมันจังอยู่อันนี้คือกันล่ะเข้าเข้าเข้าเข้าท่านมันจังถึงหัจักบนปฏิบัติเฮ็ดดีกับมันเข้าเฮ็ดเสือกับมันเขาพันกับมันเขาบัวพลนกับมันเขาล่ะผู้อื่นบ่นแตมายากพลนหรอกผู้อื่นบ่นแตบัมิยาก ชนะกับชนะกิเลสเท่าแพ้กับแพ้กิเยสเท่าชนะกับชนะควบหลงจะคล้องแพ้กับแพ้ควบหลงจะคล้องชนะกับนะโลกโกนหลงจะคล้องแพ้กับแพ้โลกโกนหลงจะคล้องคูกเก่าหะะแพ้ชนะทั้งอื่นมัมีในท่ามพุทธศาสนาดอกโลกเอามาใส่ตายที่ซื่อดอกเอามาใส่แต่จังว่ามันมีเตือนจะพ่ายเห็นล้วมันมีเผยแผ่เพยชนะกันจะเทือกูที่มึงที่ยื่นอะ ขึ้นก็ฟ้ามือก็รังมือนี่กูที่มึงที่อยู่ไปจักอเสียบออกไปยังไงแล้เกะเขาโกนพอล้อนหัวออกก็ปั่นกูตอกมันลุกเขาโกนแล้วมดขึ้นก็มีั้งแต่ก่อนเกา เกิดมากก็มีหีนมีไส้ก็มีต่ก่อนเก่านะมีต่เกิดแก่เจ็บตายหกมีตะแก่ต่เก็บเจ็ตายของเก่ามีตะทุกของเก่าบอกของฉันอรรถว่าเศ้ากันจะไรกันเมยแหละออกไปใช้เมันกีบว่าไปแลามันง่ามมันโง่มหาภววะกับผู้ฟังนี่แหละ มันงวมาหาไตลกธาตุนี่ใบอกเรื่องพ่นมันก็ถึกผู้พ่นพ่นผุนเรื่องบูนมันก็ถึกผู้ผูพ่นผุนบเรื่องปฏิบัติมันก็ถทึกผู้ปฏิบัติผุนบเรื่องบปฏิบัตินก็ถึกผู้ปฏิบัติผุนหือ่ยงไจะมันบไปถึอพริพานได้เดี๋ยวนี้พรนิพานเป็นบมรับพีรับถึกก็ะไพรพึ่งพรทอดจะพานพน่ออกจากสังคมล่ะ นี่บโมคาเทตนะโมเทติตาริยาของหนึ่งเวสพูดดอกไว้เนาะพะเห่าไปนั่มเขาเขาก็มีเขาก็อุ่นข้อมืนี่พวก ถือไตรเสนาคมเพิงพระได้สสมอไปทั้งไหน็นมีพะไปน้ำอุ่นเด้เห็นหนาพระกระปันเห็นพอเห็นเมได้วกถือไต่เสนาคมของสันวอรรดว่าขดมันสามโมโพสีมันก็ะสามโมโพสีได้เสมอเนี่ยยวามเมียนเนีย่ยถกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เน้มพวกถงพระพุทธเาระสง์บอกไห้มาหาพระหาเนียนเ่ยดวเขาไปหาผีบอกให้บอกเสั่ว่าพวกคนจนคนบ้านคนีคนปนเขาบกไปหาหัวหนาเขาเดยเขาไปหาไผ่ั่นบอกเองสั่นเอารถว่ามันขมูห้องพอยห้องมันสายห้องพอยห้องมันหลวงปู่วันเคยเทศมูปวกมันก็นนกไปตามแถวห้องมันเลยสัน่นน้าก้นกันไปไปสไป มูอปวกว่าะฉันมูนักปาร์ตก็น้ำกลนกันเป็นสายไปว่าะฉันพุนะ่นไปจอดพราะนผ้านพุ่นเรอเาะฉันน้ำกลนกันเป็นสายคือมูอปวกมูที่ไปท่มามโนหกก็น้ำกลนกันเป็นสายไปรถปูมานเทียบจะปวกทางมันมีทางสองแผงเลงยแผงใหญ่ๆมัน คนในลมมีสองลัทธิของพระเจ้ามันก็มีสองลัทธิลัทธิใหญ่มันลัทธิพวกถือว่ามีบุญมีบาปนี่ลัทธิหนึ่งลัทธิพวกบูบบถือมีบุญมีบาปนี่ลัทธิหนึ่งข้นสองลัทธินี่ลัทธิแม็ลัทธิถือมีบุญมีบาปเรียกว่าลัทธิฟ้าลัทธิถือบูมีบุญมีบาปเรียกว่าลัทธิโทนาได้ขึ้น้า ว่าหน่อยว่าพรค่ายวอาร้ายเป็นโทษสมัยลูกสิกลัวพงษ์ยักษ์บอกตายก็มองว่ามันยังสี่เหรอเฮาเรียกทุกยศสิถวายเพราะพระพุทธพระสงฆ์มืดเฮาตายยอดอันบอกอันนี้สิว่ามั น, นยังสี่จังไหนมันจริงเป็นจริงยุ่งสิสว่างชั้นเถอะ เมันดันกันนตัวแคนีผู้ถือผู้มีบุญไม่บาผู้ถือว่าตายล้สูญก็ทนลงไล่สุดฝ้ายไม่มีวัตหมายอันเดียวกันอ่หมือนเอาไล่ตายยืดหนอะาของสรถว่าเห็นงคุณพรพูดพระธรรมพระสงฆ์จึงมีผู้มีผู้มาผู้มีปัญญาน่อยแล้วลึกนยหน่อยผู้มีปัญญาหลายแล้วลึกหลาย สยนต้องมาเปลี่ยนพวิสุทธิคี่ขุ่นปัญญาขุณนมหากรุณาคุณนปัญะกษัตริย์เป็นคุณอันใหญ่หลวงคือแผ่นดินสยนต์เมื่อโยนมาเป็นแผ่นเดียวกันหนาสองแขนสี่มือโยนขุ่นขุ่ของพูะพุทธเจ้าระสงค์ยังบมมีประมาณอีกด้านเมื่อกิเลสของโม่ห่าวมันโมมีประมาณวัดพาสุนขอสุนกลางบ่ได้ว่าก่วงเท่านั้นแคบเท่านี้เง้ยวเท่านั้นบ่ได้ คุณของว่าพุพทามผสมคุณของพระเนรพานกับวัดชุนขอบชนกลางว่ได้เื่กันทันแล้วคุณอันอันคุณมันมีกิเลทนี่ยแต่กิเลทกันยังวัดชุนขอบชุนกลางว่ได้ก่งนนวงเท่านั้นเนี่ยเท่านาาี้เนียว่านะคือก่วงศอกปาม่านกวาดซื้อเนว่าทั้งรับส่วนสกุลละกายเป็นลูกคันหนว่านะผู้ทีอไม่บาปไม่บุญ มันกระสาบุญอยู่พว่มก็่วันขึ้นพอคิตใจมันก็นึกไปน้ำท่านนำชินนำภาวราของมันเลยมันเห็นน้อยมันก็เลยเรื่องตามหนอยมันเห็หลายมันก็ลเรื่องตามหลายของมันอยู่เลก็เรียกว่ามันได้บุญคูบุญยุติมืมอที่ว่าย่างนี้คน่มันจะอย่ได้บอกคูดตะพุ้พืนนี่